จึงขึ้นว่าดังนี้วนทามิภันเตสัพพังอปาลาธังขะมะธะเม รับบาทก้มเข้าไปหาพระอุปัชฌายะในสังฆะสันนิบาตวางไว้ ภาตัปังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะกาลุณยังกตวานิสสยัง เตยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปัชฌายโยเมพันเตโหหิอุปัชฌายโยเมพันเต สัมปทิตาเมในระหว่าง 3 หนแล้วว่าต่ออัจฉตัก วัคนี้ว่า 3 แล้วกราบลง 1 แลหนยืนขึ้นว่าต่อวันทามิภันเตสัพพังอปาลาธังคมะธเมภันเตมยากตังบุญยังสามินาสาธุสาธุอนุโมทามิคุก ในลำดับนั้นพระอุปชายะหรือพระกามวาจาจารย์เอาบาตร อายังสังฆาติพึงรับ